ปุชาติปัจจัยร้อเจสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารามณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นรูปด้วยทิปจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณ โหทพายตนะเป็นปัจจยัยแก่กายวิญญาโดยบุเรชาตะปัจจัยวัตถุบุเรชาตะได้แก่จะกายตนะเป็นปัจจยัยแก่จ uh ักหูวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจยัยแก่กายวิญญาณหาไทยวัตถุเป็นปัจจยัยแก่ขันที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิจารณ์โดยบุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแจ้งโพธะพระหาทายวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรากฏความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้น ราคะจึงเกิดขึ้นโทมณะจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีท <boarding> ั aunt, <craz> ้งวิตกและวิจารณ์โดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่ บุคคลเห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารรความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นวิตกจึงเกิดขึ้นเห็นแจ้งหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารรความยินดีเพลิดเพลินหาไทยวัตถุนั้นวิตกจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์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 เห็นแจ้งสตะคานะชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะห า, าทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นขันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกจึงเกิดขึ้นวัตถุบุเรชาตะได้แก่หาทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกโดยบุเรชาตะปัจจัย ปัจฉาชาตะปัจจร้อยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจใจแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารโดยปัจฉาชาตะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจัยแก่กายน้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจัจสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร โดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเกิดภายหลังและวิตกเป็นปัจจัยแก่กายนิที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเกิดภายหลังและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่กายนิที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยปัจจาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเกิดภายหลังและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่กายนิทิขเกทอนโดยปัจจาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยปัจฉาชาตะปัจจัยได้แก่คันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเกิดภายหลังและวิตกเป็นปัจใจแก่กายนิที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยอาเสวณปัจจัยเก้สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอาเสวณปัจจัยได้แก่ขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณซึ่งเกิดคนก่อน เป็นปัจจัยแก่ขันที่มีทั้งวิตกและวิจาร์ซึ่งเกิดหลังๆโดยอาเัยวันะปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคทรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกและวิจาร์โวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอาเัยวันะปัจจัย สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณโดยอาศัวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่วิตกที่เกิดหลังๆโดยอาเสวนปัจจัยบริกรรมฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอาเสวนปัจจัยโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ โดยอาศัวณัปัจจัยโวทานเป็นปันจจัยแก่มากที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณโดยอาศัวณัปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปันจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยอาศัยวณัปัจจัยได้แก่บริกัรมธุติยฌานเป็นปันจจัยแก่วิจารณ์ในทุติยฌานโดยอาศัวณัปัจจัยบริกรรมตติยฌานเป็นปันจจัยแก่ตติยฌาน บริษกรรมเจตุตชฌานเป็นปัจจัยแก่จตุตชฌานบริษกรรมอาคาสาเนจรยตนะเป็นปัจจัยแก่อาคาสาเนจายตนะบริษกรรมวิญญาเนจรยตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาเนจรยตนะบริษกรรมอาคินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่อาคินจัญญายตนะบรุษกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะบรุษกรรมที่ประจักผุ เป็นปัจจัยแก่ที่ประจักษ์ผูบริกรรมที่ประโสงทธาตุเป็นปัจจัยแก่ที่ประสงทธาตุบริกรรมอิทธิวิทยานบริกรรมเจโตปริยญาณบริกรรมผูเพนิวาสานุ ส, สติญาณบริกรรมยะถาขมูปะขยานบริกรรมอนาคตังสายานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มักที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารและวิจารณ์โวทานเป็นปัจจัยแก่มักที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณและวิจารณ์ โดยอาศวนาปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารโดยอาศวนาปัจจัยได้แก่บริกรรมฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่ฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารโดยอาศวนปัจจัยโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มากที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจาร โวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารโดยอาศัยวนปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอาศัยวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเกิดคนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์ซึ่งเกิดหลังๆและวิตกโดยอาศัยวนปัจจัย อ <OMAN 2> นุโลมเป็นปัจจจยแก่โคตรภูและวิตกอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานและวิตกโคตรภูเ <that>. ป <eight. S 2> ็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกโดยอาศสวนปัจจัยร้อยสสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยอาศวนปัจจัยได้แก่ วิตกที่เกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่วิตกซึ่งเกิดหลังหลังโดยอาเสวนปัจจัยขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเกิดหลังหลังโดยอาศัวนปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอาเสวนปัจจัยได้แก่วิตกที่เกิดก่อนก่อน เป็นปัจจัยแก่ขันที่มีทั้งวิตกและวิจาร์ซึ่งเกิดหลังๆโดยอาศัวนะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอาศัวนาปัจจัยได้แก่ขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่วิจารซึ่งเกิดหลังๆโดยอาศวนปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร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 วิตกที่เกิดผลก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีทั้งวิตกวิจารซึ่งเกิดหลังหลังและวิตกโดยอาเสวนาปัจจัย11อสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยอาศัวนาปัจจัยได้แก่วิจารณ์ที่เกิดผลก่อนเป็นปัจจัยแก่วิจารซึ่งเกิดหลังหลังโดยอาเสวนาปัจจัยขันที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารซึ่งเกิดผลก่อน เป็นปัจจัยแข่ขันที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเกิดหลังๆโดยอาศัวนาปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์โดยอาศัวนาปัจจัยได้แก่วิจารที่เกิดกลอนเป็นปัจจัยแข่ขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารซึ่งเกิดหลังๆโดยอาศวนปัจจัย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 โดยอาศัวัณะปัจจัยอนุโลมและวิตกเป็นปัจใจแก่โคตรภูอนุโลมและวิตกเป็นปัจใจแก่โวทานโคตรภูและวิตกเป็นปัจใจแก่มรรคที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โวทานและวิตกเป็นปัจใจแก่มรรคที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอาศัวัณะปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอาศัวณปัจจัยได้แก่คันที่มีทั้งวิตกและวิจารณซึ่งเกิดฝังก่อนและวิตกเป็นปัจจัยแก่วิตกซึ่งเกิดหลังๆโดยอาเสวณปัจจัยบริกรรมฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิตกเป็นปัจจัยแก่ฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณโดยอาเสวณปัจจัยโคตรภูและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ โวทานและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอาเจวนาปัจจัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยอาเจวนาปัจจัยบริกรรมทุติยฌานและวิตกเป็นปัจจัยแก่วิจารณ์ในทุติยฌานโดยอาเจวนาปัจจัยบริกรรมเนวสัญญาณสัญญาญัตนะและวิตกบริกรรมที่ประจับขูและวิตก บรกรามอนาคตังสยานและวิตกเป็นปัจจัยแกอนาคาตังสยานโดยอาเสวนาปัจจัยโคตระภูและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิจารณ์โดยอาเสวนาปัจจัยโวทานและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิจารณ์โดยอาเสวนาปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแกสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์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 โตรภูและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกโวทานและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกโดยอาศัยวัณปัจจัยกรรมะปัจจัยร้อ สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยขธรรมปัจจัยมีสองอย่างเผอสหชาตะและนานาคเนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยขธรรมปัจจัยในปฏิสนทิขณะเจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยขรรมปัจจัย นาณาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณโดยครามปัจจัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยควรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ เป็นปัจจัยแก่วิตกโดยความปัจจัยในปฏิสนธิขณะเจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่วิตกโดยความปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่วิตกที่เป็นวิปากโดยความปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยความปัจจัยมีสองอย่าง คือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมะปัจจัยในปฏิสนธิขณะเจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยกรรมะปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิปาก ซึ่งไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์และกระตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างเผลอสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัย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 และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณโดยความมปัจจัยมีสองอย่างเครสหชาตะและนานาคณิกะชาตะได้แก่เจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารณเป็นปัจจัยแก่วิตกและจิตตสมุทฐานรูปโดยความมปัจจัยในปฏิสนธิขณะเจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารณเป็นปัจจัยแก่วิตกและกระตัตารูปโดยความมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่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 ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณโดยความมัปปจัยมีสองอย่างเคสหาชาตะและนานาคณิกกะสหาชาตะได้แก่เจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมยุญตะขันวิตกและจิตตสมุทฐานรูปโดยความมัปปจัยในปฏิสนธิขณะเจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ เป็นปัจจัยแก่สัมยุญตะขัน์วิตกและกระตาตารูปโดยกร hm ามปัจจัยร้อสหสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณโดยคัามปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคะเนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมยุญตขัน์โดยกรามปัจจัยในปฏิสนธิขณะ นานาคเิกะได้แก่เจตนาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิปากซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยคำว่าปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารโดยคำวมาปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตและนานาคเิกะสหชาตได้แก่เจตนาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร เป็นปัจจัยแก่วิจารและจิตตาสมุทฐานรูปโดย k a มปัจจัยในปฏิสนธิขณะเจตนาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่วิจารที่เป็นวิบากและกตัตารูปโดย k ามปัจจัยนานาคณนกะได้แก่เจตนาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่วิจารที่เป็นวิบากและกตตารูปโดย k a ม m ปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร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 เป็นปัจแจัยแก่สัมปยุตตะขันวิญญาณและกะตตารูปโดยควา ม, มปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจญาณเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจญาณวิจญาณและขตตารูปโดยความมปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจญาณเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจญาณโดยควา ม, มปัจจัยมีสองอย่าง เพศสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมยุญตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะเจตนาที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมยุญตะขันและขตตารูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบาก ซึ่งไม่มีทั้งวิตกวิจาร์และกระตตารูปโดยกรรมปัจจัยวิปากะปัจจัยร้อยสิบภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยวิปากะปัจจัยได้แก่ ขันหนึ่งที่เป็นวิปากซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยวิปากกระปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยวิปากกระปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยวิปากกระปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นวิปากซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณเป็นปัจจัยแก่วิตก โดยวิปากะปัจจัยในปฏิสนธิขณะปัญหาวาระทั้งเจ็ดวาระที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นมูลบริบูรณ์แล้วสภาวธรรมที่ไม <trad Italians différent ays> ่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยวิปากะปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นวิปากซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจัยแก่ขันสาโดยวิปากะปัจัยขันสอง ในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์พึงจัดปัญหาวาระทั้งห้าที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นมูลไว้และพึงกําหนดว่าเป็นวิบากร้อสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยวิปากกับปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นวิปากซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ เป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานารูปโดยวิปากัปัจจัยขันสองวิจารณ์ที่เป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่จิตตสมมุทฐานารูปโดยวิปากัปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันที่เป็นปัจจัยแก่หาทายวัตถุโดยวิปากัปัจจัยวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่หาทายวัตถุโดยวิปากับปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์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 ได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งมีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยวิปาสกับปัจจัยขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยวิปาสกับปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นวิบากซึ่งมีทั้งวิตกวิจารณและวิตกเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูป โดยวิปากับปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจาร์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจาร์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจาร์โดยวิปากับปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นวิปากซึ่งมีทั้งวิตกวิจารและวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปโดยวิปากับปัจจัยในปฏิสนธิขณะ เก้สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอาหารับปัจจัยได้แก่อาหารที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยอาหารับปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอาหารับปัจจัยได้แก่อาหารที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ เป็นปัจจัยแก่วิตกโดยอาหารปัจจัใจในปฏิสนธิขณะด้วยเหตุนี้พึงจำแนกปัญหาวาระทั้งเจ็ดที่มีทั้งวิตกและวิจารณเป็นโมลสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรม ท, ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอาหารปัจจัใจได้แก่อาหารที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแกสัมพยุจตะขันโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะ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 อาหารที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแค่สัมพุทธะขันวิจารและจิตตสมุทฐานรูปโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอาหารรับปัจจัยได้แก่อาหารที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแค่สัมพุทธขันและจิตตะสมุทฐานรูปโดยอาหารรับปัจจัยในปฏิสนธิขณะ กเกลืองกราหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอาหา ร, รปัจจัยอินทริยปัจจัยร้อยสสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอินทริยปัจจัยได้แก่ยินซีที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยอินทริยปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกไม่เพียงวิจารณโดยอินทริยปัจจัยได้แกท่ทินซีนนน ท, ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่วิตกโดยอินทรีย์ปัจจัยในปฏิสนธิขณะด้วยเหตุนี้พึงจำแนกปัญหาวระทั้งเจ็ดที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นมูลสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอินทรีย์ปัจจัยได้แก่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 เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ม like, okay. ีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณโดยอินทริยปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมยุญตะขันวิจารณ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอินทริยปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอินทริยปัจจัยได้แก่ อินทรีย์ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สั ม, มยุญตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอินทริย์ปัจจัยในปฏิสนธิขณะจากขุนศีเป็นปัจจัยแก่จากหุวิญญาณฟายินรีเป็นปัจจัยแก่ฟายะวิญญาณโดยอินทรยิยปัจจัยรูปปัจชิวิตินรียเป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยอินทรยิยปัจจัยชาณะปัจจัยร้อยี่สบเอด สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยชานะปัจจัยได้แก่องค์ฌานที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยชานะปัจจัยในปฏิสนธิขณะด้วยเหตุนี้พึงจำแนกปัญหาวาระทั้งเจดที่มีทั้งวิตกและวิจารณเป็นมูลสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณโดยชานาปัจจัยได้แก่องค์ชาญที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัมยุญตะขันโดยชานาปัจจัยในปฏิสนธิขณะด้วยเหตุนี้พึงจําแนบปัญหาวระทั้งเจ็ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นมูลสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยชานาปัจจัยได้แก่ อ, องฌานที่ไม no ่มีท huh ั <in> <t iny verse ai> er <relief> ้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยฌานะปัจจัยวิจารเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยฌานะปัจจัยในปฏิสนธิขณะวิจารเป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยฌานะปัจจัยวิจารเป็นปัจจัยแก่หาทายวัตถุโดยฌานะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพ um, ียงวิจาร์โดยชาณะปัจจัยได้แก่วิจาร์เป็นปัจ UH, จัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์โดยชาณะปัจจัยในปฏิสนธิขณะวิจาร์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์โดยชาณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร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 ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์และวิจาร์เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยชาณะปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจาร์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจาร์โดยชาณะปัจจัยได้แก่โวงฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารเป็นปัจจัยแก่สามพยุติขัน และจิตตสมุทฐานรูปโดยชานะปัจจัยในปฏิสนธิขณะองค์ฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณ์เป็นปัจใจแก่สัมปยุจจขันและประตตารูปโดยชานะปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยชานะปัจจัยได้แก่องค์ฌานที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตก เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันโดยชานะปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยชานะปัจจัยได้แก่องค์ฌานที่มีทั้งวิตกวิจารณและวิตกเป็นปัจจัยแก่จิตตะสงฆ์ฐานรูปโดยชานะปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์ และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจาร์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจาร์โดยชาณะปัจจัยได้แก่องค์ชาญที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตภันและจิตตสมุทฐานนรูปโดยชาณะปัจจัยในปฏิสนธิขณะมรคคปัจจัยรอยยี่สิบสามสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที oh ่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยมรรคปัจจัยได้แก่องค์มรรคที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่จำปยุตตะขันโดยมรรคปัจจัยในปฏิสนธิขณะด้วยเหตุนี้พึงจำแนกปัญหาวาระทั้งเจ็ดที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นมูลสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ โดยมรครับปัจจัยได้แก่องค์มรที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สัมพยุจตะขันโดยมรครัปัจจัยในปฏิสนธิขณะด้วยเหตุนี้พึงจำแนกปัญหาวาระทั้งห้าที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นมูลสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารโดยมรครัปัจจัยได้แก่องค์มรที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตาสมุทฐานรูปโดยมรรคปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยมรรคปัจจัยได้แก่องค์มรรคที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยมรรคปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์ และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มี ja Меня, ทั้งวิตกและว it ิจาร์โดยมรรคปัจจัยได้แก่องค์มรรคที่มีทั้งวิตกวิจาร์และวิตกเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยมรรคปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจาร และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณโดยมัคคะปัจจัยได้แก่องค์มรรคที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกเป็นปัจจัยแก่สัมปชุดขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยมัคคะปัจจัยในปฏิสนธิขณะ